ตั้งใจฟังให้ดีวันนี้จะเทศเรื่องวิปัสนาวิธีทำวิปัสนาจะทำอย่างไรสมถะเราเข้าใจแล้วว่าการทำใจให้สงบอยู่ในอารมณ์อันหนึ่ง เช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติรู้อยู่ในการหายใจเข้าในการหายใจออกแล้วทำเป็นบางแล้วต่อไปเป็นเรื่องการทำวิปัสสนาคือทำอยังไงการทำวิปัสสนาก็คือทำให้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหะให้รู้ถึง รากถึงฐานของมันจนอย่างพิจารณาถึงความเกิดแก่เก็บตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาพี่นาว่าเกิดมายังไงแก่อย่างไงตายอย่างไรเราพิจารณาจนรู้แจ้งชัดว่าโอ้ความเกิดนี้ไม่เที่ยงความแก่ก็ไม่เที่ยงความตายก็ไม่เที่ยง ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นี่แหละมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเรายืมโลกใช้ส่วนระยะเวลาหนึ่งการหนึ่งเท่านั้นเอง ในที่สุดก็ล่วงลน้นตายไปเหมือนกันตายไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเหลือ ก, กระดูกกับเท่าฐานท่า น, นแหละนี่แหละเราพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นนิพพานาเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นหน้าตาในสิ่งต่างๆ ทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็ตกอยู่ภายใต้กฎความจริงอันนี้เหมือนกันหมดคืออนิี้จังไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่มีตัวตนสละแก่นสารนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีใจครองคือมนุษย์สัตว์ดิ拉านทั้งหลาย มีใจครองที่ไม่มีใจครองก็ตึกรามบ้านช่องต้นไม้ใบหญ้าไม่มีใจคองอ น, นี่ก็ตกอยู่ใต้กฎอันนี้เหมือนกันใต้กฎแห่งความเป็นอันนี้จังเป็นทุกขงังเป็นนาตศรีตกอยู่ใต้กฎอันนี้ เราพี่นาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นชัดหเห็นจริงเห็นแจ้งพระจักขึ้นมาในใจว่าโอ้สิ่งนี้ไม่เที่ยงจริงสิ่งนี้ทนอยู่ไม่ได้จริงจริงสิ่งนี้เป็นอไม่เป็นอนัตตาเป็นอตตาไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาอัตตาคือตัวตนแต่ก็ไม่ได้หมายว่ า, าตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเรา สมมุติโลกยังไงก็ อ, อย่างนั้นแต่ว่าบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้ามันลึกลงไปกว่า น, นั้นอีกหลังจากตายแล้วมันเป็นยังไงกเปื่อยเน่าหูพังไปหรือเผาก็มีแต่เท่าแต่ฐานนั่นรายละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์ก็อยู่ตามสมมุติโลกแต่ถ้าพิจารณาให้ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตวนจริง นี่แหละคือวิพัฒนาอีกด้านหนึ่งหรือแง่หนึ่งมุมหนึ่งถ้าพิจารณาให้ยิ่งไปกว่านั้นพิจารณาเป็นธาตุสีตัวเราเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้งสีนี้รวมกันอยู่ ไม่แตกสลายไม่ตาย ท, ทาธาตุสีนี้แยกกันอยู่เช่นเนื้อหนังมังสานี่ก็ตลอดึงกระดูกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งน้ำดีน้ำเสร็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำามกน้ำลายน้ำามูดส่วนน้ำก็ไปอีกแห่งหนึ่ง แยกออกไปจากกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวอันนี้ก็แยกออกไปส่วนหนึ่งไปไว้ส่วนหนึ่งนี่ไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนั่น ไฟก็แยกอไปส่วนหนึ่งไม่ให้รวมกันเมื่อทั้งสี่อย่างไม่รวมกันมันก็แตกสลายเช่นร่างกายรับความกระทบกระเทือนมากแขนหักขาหักอกแตกตายแล้วเหมือน ดินทำดินประสานกันไม่ติดแล้วก็ตายไม่มีน้ำในร่างกายก็ตายเราอดข้าวสิบสี่สิ บ, ส บ, สบห้าวันนี่อดได้แต่อดไม่กินน้ำสองวันสามวันนี่ไม่ได้ตายดูว่าน้ำขาดจากร่างกายเส็นขนเป็นโรคอหีวาอย่างนี้ ไม่มียารักษาน้ำขาดจากร่างกายยีิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นตายเหมือนกันนี่แหละก็ให้พิจารณาลงมาที่ตัวของเรานี่ตัวของเรานี่เป็นธาตุสี่เนื้อรูปกายเป็นอย่างนี้รูปกายเป็นธาตุสี่แต่น้ำกายก็คือใจ ใจก็มายึดถือเอากายอันนี้แหละว่าเป็นของเราว่าเป็นของเราแต่พอได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระรีบุคคลแล้วก็จะเข้าใจอีกว่าออกายแท่งกิงไม่ใช่ของเราจริงๆริไม่ใช่ของเราทุกพบทุกชาติไปเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีกายใหม่ไม่ได้เป็นกายเดิมกายเดิมก็สลายไปแล้วก็ได้กายใหม่ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นตน้นก็ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราพิจารณาเห็นเป็นอสุภะร่างกายนี่เต็มไปได้วยของสุขบกรปฏิกูล พระบวชใหม่ท่านจึงสอนกรรมาฐานให้เลยเป็นอาวุธรักษารักษาตนรักษาธรรมรักษาวินัยท่านก็สอนให้เลยเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือคนทั้งหลายหน้าขาคือเล็บทั้งหลาย ดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังผมขนฟันหนังเล็บฝนผมขนฟันหนังเล็บเล็บหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของสุขโบก เป็นของน่ารังเกียตสมมติว่าเราเขาเอาอาหารมาให้เรากินแต่เขาามือของเขาลบไปคนซะก่อนเราจะกล้ากินไหมเราไม่กล้ากินเลยต้องใช้อย่างอื่นคนถ้าใช้มือลงไปคนเราก็เห็นความโสกปรกแล้วนี่แหละ พี่นายเห็นเป็นของสกปกปฏิกูลอสุภาไม่สวยไม่งามเช่นร่างกายตอนยังหนุ่มก็เป็นอย่างหนึ่งผิวพรรณวันนักก็เป็นอย่างหนึ่งตอนแก่มาแล้วก็ตกกะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหย่ยวยน่นหนังยานนี่ก็ถือว่าเป็นของสกปกปฏิกูล ละเอยียดลงไปตายแล้วไม่เอาไปเผาไปฝังปล่อยไว้ให้แมลงไต่ตอมแมลงวันก็ขี้ให้ขางใส่เป็นหนอนเต็มไปหมดทวารทั้งเก่าหนอนยุบยับยุบยยุบยั บ, บ, ยบเต็มไปหมดตาทั้งสองข้างก็เต็มไปด้วยหนอนหูทั้งสองข้างก็เต็มไปด้วยหนอนไหลออกไหลเข้า ปากก็เหมือนกันเต็มไปด้วยหนอนทวานหนักทวารเบาเต็มไปด้วยหนอนตรงไหนมันแตกวันติีน้ำเหลืองไหลที่ไขขัขงเต็มอยู่เป็นหนอนเจาะอยู่ตามนั้นแหละเจาะใส่อยู่ตามนั้นแหละตามร่างกายของเราทั่วไปหมด มีแต่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองไหลยเยอะหมอกไปตามตัวนะพี่นาเข้าไปมันก็เป็นของสุขภปกระดคูนเห็นชัดๆเลย น, นี่อย่างนี้ก็เป็นที่ปรานาเหมือนกันนี่แหละว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ไม่ได้เห็นเป็นโลกโลกเห็นว่าเป็นของสวยของงามแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของศกระโปรปฏิกูลไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันลองดูสิจะเป็นยังไงเสื้อผ้าเขาไม่ต้องเปลี่ยนมันจะเหม็นได้หมดเลย อินตัวก็แรงขึ้นอะไรขึ้นนะแล้ววันวเน่ามิ้นไปหมดแหละนี่แหละใครพิจารณาอย่างนี้เข้ามาที่ตัวของเราเหมือนกันว่าตัวเราก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งเราเลือกใช้ได้เลยว่าจะเอาอะไรบ้างมาพิจารณามาไต่ตรอง มาชำระกิเลสในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปชำระราคะชำระโทสะชำระโมหะออกไปจา ก, กจิตใจของเราชำระอวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจ ส, สี่ออกไปจากใจของเราใจของเราก็ผ่องใสด้วยศีลด้ธรรม ดยมากด้วยผลนี่แหละให้พิจารณาพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราถ้าพูดมากก็มากแหละมันมีเยอะ ม, มีมากถ้าอธิบายไปมากก็จับประเด็นไม่ถูกว่าจะทำยังไง พิจาราดูตามนี้แหละถ้าพูดไปหล้หลายเรื่องก็จะจำไม่ได้ให้ทำเอาอันเดียวเช่นพิจารณาเป็นธาตุสีก็เอาอันเดียวพิจาาเป็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายก็พิจาไป เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งที่จะไม่ตายไม่มีถ้ามีเกิดต้องมีตายอันนี้ก็เรียกว่าพิณาความตายมีเกิดต้องมีแก่มีเก็บมีตายนี้ความตายไป็นคนเกิดมาเท่าไหร่ ก็ตายเท่านั้นแหละที่จะล้นโลกเหลือโลกไม่มีหรอกมันตายไปถ้าเกิดมาแล้วก็ตายมันเป็นอย่างนี้มดไม่ว่าคนไทยคนฝรั่งคนต่างประเทศต่างภาษานกนู ป, ปูปีวัวไขว่ช้างมา้า เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายหมดตัวเราเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่ไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันวันนี้ไม่ตายวันต่อไปก็ต้องตายไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายอยู่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ก็ ถือว่ามีอายุยืนพอสมควรแปดสิบเกสบรอปีก็มีอายุ 80, 90, ายืนมากแต่ในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันที่ไม่ตายไม่มีใครตายก็ตัวเรานี่แหละตายตัวเรานี่แหละตายไม่ใช่คนอื่นตายคนอื่นตายก็เรื่องของคนอื่น เราทำหน้าที่เผาฝังไปตามเรื่องของคนอื่นแม้เราตายก็เหมือนกันเขาก็เอาไปเผาไปฝังเหมือนกันเขาก็ไ่เก็บไว้ตัวกลางคืนมายิ่งกลัวพีหลอกอีกซ้ำแจะอยู่ด้วยกันไม่เห็นตายไม่เห็นกลัวพอตายแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมากลัวผีไ้ ท่จริงเราก็เป็นผีเหมือนกันตายแล้วก็เป็นผีเหมือนกันเขาสมมติเรียกกันอย่างนี้แท้จริงความตายมันมีทุกคนมันจะเป็นผีได้เวลาไหนมันไม่ได้บอกเราหรอกไม่ได้บอกเราว่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าเป็นอย่างนี้นะมันไม่เชื่อเราหรอก จะเก็บจะป่วยนะมันก็เก็บก็ป่วยห้ามมันไม่ได้รักษามันได้ส่วนระยะ ก, การถึงจะมีแพทย์มีหมอรุมรอบอยู่ก็ตามถึงเวลาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมอเองก็ต้องตายเหมือนกันที่ไม่ตายไม่มีนะ เจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีบุญมีบารมีมีแพทย์มีหมอมีพยาบาลมียาอย่างดีทุกอย่างแต่ใ น, นที่สุดก็ต้องไปเหมือนกันยาดีปั๊นไหนก็ยังตายอยู่รักษาได้ช่วงระยะที่ยังไม่สิ้นบุญสิ้นอายุนี่แหละแต่สิ้นบุญสิ้นอายุแล้วก็มดตาย ่ต้องมาข่ามาฟันให้ถึงนั่นหรอกอยู่ยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วนี่ก็เรียกว่าเราพิจารณาความตายถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้าเราปฏิบัติธรรมได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามี เป็นผ้านาคามีเป็นผ้ารหันต์ความตายของเราก็น้อยลงถ้าเป็นบุตุชนอยู่นี่ความตายนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้่วจะต้องเกิดต้องตายอย่างนั้นแหละอย่างเป็นคนนี่ก็เกิดตาย นับภพบนับชาตินับกลับนับกันในท่วนเหมือนกันท่านที่เปียบว่าคนกว่าจะได้พ้นไปกลับหนึ่งหนึ่งน้ำตาที่ร้องให้นี่กว่าจะได้พ้นทุกน้ำตาเท่าน้ำทะเลมหาสมุทรน้ำตาของคนแถมท่านบอกยังน้อยไปกว่าน้ำตาของเราที่ตกทุกข์ได้ยากที่กระทบอารมณ์ต่างๆได้ร้งองให้เก็บมารวมกันแล้ว น้ำทะเลมหาสมุทรยังน้อยกว่าเนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมก็ย่นความตายให้น้อยลงคือถ้ามีเกิดมีแก่มีกิมีตายอยู่มันทุกข์อยู่แต่พระสุรบาจะมาทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์นี้ เพียงเ็ดชาติเท่านั้นเองชาติที่แปดไม่มีเกิด <S an> ในมนุษย์เ็ชาต <S <S <an> <S ิก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด <S <S <an> <S คือเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระสกิทาคาม <S <S <an> <S ีก็มาเกิดอีกชาติเดียว <S <S <an> <S ถ้าเป็นพระนาคามี <S <S <an> <S ไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์นี้อีกเลย เสวยสุขอยู่พรมโลกชั้นสุทาวาสห้าชั้นคือชั้นอวิหาชั้นระดับปาชั้นทรัตสาชั้นถุสุทัศสีชั้นอาการิธาพรมโลกห้าชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้ปฏิบัติธรรมในมนุษย์ในบรรลุเป็นพระอรหัเอาเป็นเป็นพระอนาคามี ก็ไปอยู่พรหมโลกตายแล้วน่ยไปอยู่พรหมโลกไม่ได้กลับมาเกิดในมนุษย์อีกก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในพรหมโลกนั้นแหละสิ้นอายุผมก็เข้าพระนิพพานไม่ได้กลับมาเกิดในมนุษย์อีกสวยสุขอยู่ในพรหมโลกสุถาว่าส่วนพรหมโลก ตั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบหถึงยี่สิบอันนั้นเป็นพมทั่วไปเราเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปเกิดตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพมหรือบุญกุศลมากก็ไปอยู่ในพรมโลกแต่ไม่ใช่พรมโลกคือทาวาสดนี่แหละ แต่ถ้าได้สำเร็จเป็นพระราหารันไม่ต้องไปเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกเพราะภพภูมิต่างๆพระราหันละได้หมดแล้วละภพได้แล้วละภูมิได้แล้วก็อยู่โลกุตละภูมิภูมิเหนือโลก นี่แหละถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดทุกการมาเกิดในมนุษย์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายแล้วการมีภพมีชาติอีกไม่มีจิตใจเป็นยังไงจิตใจก็เป็นสุขเป็นมนุษย์อยู่ ถ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วใจก็เป็นสุขโลกใจหมดแล้วราคะก็ไม่มีความกำหนัดไม่มีในใจโทสะความโกรธไม่มีในใจโมหะความหลงไม่มีในใจอวิชชาความมืดบอดไม่เห็นอริยสัจสี่ก็ไม่มีอยู่ในใจเห็นตัวตนของเราเป็นอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลา ว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้เห็นแจ้งชัดอยู่นั่นแหะอันเป็นพระอรหันต์ท่านท่านรู้ท่านเข้าใจท่านแทงตลอดอริยมรรคอริยผลคนจากทุกขเมื่อกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยไม่ว่าไม่ว่าพบนั้นพบนี้อีกแล้ว ก่จะได้สำเร็จเป็นพรนะอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆต้องสั่งสมบา ร, รมีมาหลายแสนกับถึงจะได้สำเร็จแต่ถ้าอันนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาหลายแสนกับหลายสงไข่กับพระพุทธเจ้าปัญญาที่กะ ศรัทธาธิกะวิริยะทิกะสร้างวลรรมีต่างกันพระพุทธเจ้าของเราสร้างบวลมีปัญญาทิกะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สั่งสมความดีอยู่เสียสงไข่กับแสนมหากับหลังจากได้รับพยากรณแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ รัพยากร์จากพุทธเจ้าทรงพนามว่าทีปังกรเอาพุทธเจ้าว่าบุรุษคนนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่ออย่างนี้มารดาจะมีชื่ออย่างนี้บิดาจะมีชื่ออย่างนี้เขาไล่ไปหมดแหละพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านต้องสร้างเวลามีอีกสี่อสงไขกับแสนมหากับจึงได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนจัดโลกหรือขอถอนจัดโลกออกจากกองทุกได้มากเหมือนกันมากมายเหมือนกันถ้าเราไม่มีพุทธเจ้าเราไม่เห็นหรอกธรรมะเนี่เราหนีทุกไม่ได้หรอก พวกเราก็อาจจะเคยทําบุญกับพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ได้เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นผมเราเคยทําความดีมาแล้วมากมายจึงได้มาเป็นคนอย่างนี้จึงได้มาเป็นเทพอย่างนี้เป็นเทวดาอย่างนี้อยู่พอบุญกุศลที่ทําความดีเอาไว้นั่นแหละนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละ ต่างกันมากผู้มาปฏิบัตินี่ถ้าปฏิบัติได้เป็นพระสวดาบันก็มาเกิดอีกเกศชาติเท่านั้นทุกในวัฏสงสารก็มีเท่านี้แหละเกศชาติเท่านี้ไม่มีอีกไม่เหมือนปุถุชนคนธรรมาดาทั่วไปอันนั้นไม่รู้เรื่องเลยแหละแต่เป็นพระสวดาบันแล้วก็ใจก็เป็นสุขพอสมควรออื 25, เรียกว่ายี่้าอซ็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าได้บรรุสูงขึ้นเป็นพระสะกิทาคามีก็ได้ห้าสิบเซแล้วถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้เป็นอนาคามีก็ได้ 75% ความสุขนะในใจนะ่ถ้าเป็นพระอรหันต์ความสุขในใจ น, ะ100 mm hmm. นั้นรยเปรซนเราสามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ไหมได้พระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้ายังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหรันต์ เราก็จะได้เป็นพระละหัน์อยู่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังถามว่าพระละหัน์มันดียังไงพระละหัน์มันก็ดีตัวไม่มีโรคโรคใจไม่มีกิเลสไม่มีในใจโรคหลงไม่มีในใจราคาโทวสัโมหะไม่มีในใจ มันก็สบายส่วนโลกกลายมีอยู่เก็บนั่นปวดนี่เป็นนั่นนั่งนี่มีอยู่แต่ใจของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีมันไม่มีทุกข์พอใจนันไม่มีทุกข์แต่ถ้าเป็นบุ้ทุชนอยู่มันทุกข์หมดกายเก็บมันก็เป็นทุกข์เป็นโลกนั้นโลกนี้มันก็เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจ ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่ทุกข์ใจถึงเวลาตายมันก็ตายเข้ามันมันเข้าใจอย่างไงถึงเวลาเกิดก็เกิดมาแล้วอย่างนี้แหละนี่แหละเกิดความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่หลงไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้หมดละได้หมด ละอะไรละกิเลสได้หมดละความชั่วได้หมดความชั่วไม่มีในหัวใจของท่านเลยนี่เป็นดังนี้ขอท่านเราปฏิบัติสมาธิก็ดีวีปัสจุาก็ดีเราปฏิบัติเราฝึกเราหัดคือแยกฝึกเลย ไม่ได้ฝึกพร้อมกันวันเดียวให้ฝึกสมาธิก่อนแล้วจึงมาฝึกวิปัสสนาคือพิจารณาในตัวตนของเราเมื่อพิจารณามันก็เห็นแจ้งเห็นจริงเพราะสติสมาธิเรามีกำลังแล้วมันก็แทงทะลุม่านกั้ น, นบังตาใจของเรานี่ให้ดวง ให้ตาของเรา ม, มีดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นมีดวงตาเห็นธรรมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วกับคนทุกข์ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัดสงสารเพราะในวัดตสงสารนี่มันมีทุกข์มากเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์เป็นนั้นนั้นเกิดเป็นวัวเป็นควายเขาไปฆ่ากิน ทำได้ทำนาเวลาข้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยกินยากปากมันก็ไม่ได้แยกออกว่าอันข้าวอันนี้ยากมันก็รวบกัดกินคนก็นตีมันไม่คิดถึงว่าโอ้ตอนวันทำงานเนี่ยหนักที่สุดแล้ว คนยังสู้มันไม่ได้เลยมันดันข่าดดันไถจนผอมกวนาจะเสร็จนี่แหละเพียงกินข้าวต้นเดียวสนั่นละตีจนรังจาขาดนะดูสิเป็นหัวเป็นควายหอกลิ้นพวกยุงพวกเหลีบกัดกินเลือดเนื้อนะกัดกินเลือด ทนทุกข์ทรมานไล่ออกได้โดยการหางเอาหาง ไ, ไล่ไลลินไลอยู่ทนทุกข์ทรมานเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานเป็นเปรตก็ทุกข์มากเปรตก็มีทุกข์หิวโห้อยอดอยากเป็นสัตว์นรก โอ้อยเจ้ า, าคุณเลยตามที่ท่านพูดไว้ก็แสนสาหัสเลยความทุกข์ที่คืนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อ่านแล้วเรื่องกรรมของคนคื อ, คอทุกข์ของคนมันทุกข์มากขนาดไหนในสันนโลกนะทุกข์มากทรมาณมาก ก่อจะพ้นจากกองทุกข์อ น, นั้นได้ก็ใช้เวลาอีกนุนนานก่อจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกก็นานแสนนานอันนั้นทุกข์ส่วนไปสวรรค์ไปพรทธ ม, มโกไปนิพพานเป็นสุขเป็นสุขมีความสุข แต่ทีนี้เรามาปฏิบัติกันนี้ไม่ได้ปฏิบตัติทำเล่นๆทำจะเอามรรคผลที่ผ่านให้ได้ต้องทำจริงจังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล่าปานใดก็ตามไม่ท้อถอยสามวันเจ็ดวันมันต้องเห็นความจริงในธรรมของพุทธเจ้าแน่นอน ยกเว้นผู้นั้นในตําหน่พระอาเดีเจ้าไว้หรือพระสงฆ์ไว้มันจึงภาวนาไม่ขึ้นคือไม่ได้บรรลุจะต้องตกนรกไปไหมในอวจีมหานรกก่อนท่านถึงไม่ให้ตําหน่ขอโทษบาปมันแรงแต่ก็มีวิธีแก้ไขโดยการขมาโทษขอขมาโทษแล้วก็เป็นันหมดไม่ต้องไปอวจีมหานรก ปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นภาลียบุคคลมันไม่ได้กั้นอยู่ที่ไกามันกั้นอยู่ที่ใจเราเองไม่ให้ใจเรามองเห็นอดเห็นธรรมบาปกรรมเรานี่ถ้าเราเห็นธรรมแล้วเป็นยังไงมันก็มีความสุขแหละใครเห็นธรรมแล้ว เห็นความจริงแล้วใจเราสบายเบาเหมือนเราหาบของมาหนักๆนี่แหละเราโปร่งลงวางลงเราสบายแล้วนันเบาสบายวางของหนงันกๆนั้นลงเบาสบายทันทีที่ปัญจขันต์ปัญจขันต์นี่เป็นของหนัก พาลาฮเวปันจักขันธาขันห้าเป็นของหนักเนะ้อเป็นของหนักที่จะต้องดูแลรักษาต้องพยาบาลต้องเอาใจใส่หลายเรื่องเรายึดเราถืออยู่นี่มันก็ทุกอยู่ถ้าเราโปร่งลงได้ทุกมัก็หมดไปทุกก็หมดไป นันว่าเรายึดถือปัญจขันธ์คือขันธ์ห้าความทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่พอเราละเลิกเข้าใจเห็นจริงแจ้งพระจักว่าขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอดีตไม่เที่ยงรูป ก, ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เขาจะเข้าไปยึดถือเอาได้ถ้าเราวางขันห้านี้ได้ใจเราก็วางถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ ถาวางคันห้าได้น้อยก็เป็นพระสุรบาลวางคันห้าได้ประมาณห0เปซก็เป็นท้าส ก, กิีาหามีถาวางได้7จปซก็เป็นพระนาหามีาวางได้ร้0ยซก็เป็นพระลหันาวางขันห่านแต่วางยังไงใจเป็นผู้วางคือความยึดถือในตัวตน ในตัวตนของเราเนี่ยมันน้อยลงมันหมดไปมันเข้าใจชัดเข้าใจชัดยังไงเข้าใจชัดเห็นว่ามันไม่เที่ยงรูปขันนั้นนี่ก็ไม่เที่ยงคือร่างกายหนึ่งก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้นี่ไม่เที่ยงแล้วมันเกิดมันแก่มันเก็บมันตายนั่นมันไม่เที่ยงแล้ว มันเป็นทุกข์รูปนี่ก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์พอชําระสําระจิตเนี่ยให้มันออกจากกองทุกข์ให้ได้ทุกข์คืออะไรคือความทนดูไม่ได้ถ้าเราชําระจิตให้บริสุทธิ์แล้วมันก็พอทนได้แต่ว่าทุกข์กายมัน มีทุกใจมันไม่มีถ้าเราปฏิบัติทับได้แล้วนี่แหละขันห้ามเป็นอย่างนี้รูปขันคือร่างกายเนี่ยมันตกอยู่ในกฎอริยสัจสี่อกกวกฎไตรักกฎไตรักเห็นเป็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยง เห็นเป็นทุกขังความทนอยู่ไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาความไม่เป็นของว่าเปล่าจากตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่ของเรานั่นของเรามันเห็นละเอียดในใจของเราปานนั่นแหะเวทนาก็เป็นหน้าตาเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันกิดคือความรับรู้อารมณ์ภัย เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเฉยเรารับรูนะ้อารมณ์นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาอีกเหมือนกันสัญญาความจำได้หมายรู้สัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาเป็นนิจจังก็มไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้ เป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงสัญญาคือความจำนะสังขารความคิดนึกปูกแต่งมันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นหน้าตามันกันวิญญาณก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันกัน ถ้าเราวางได้ทุกของเราก็หมดถ้าเราวางไม่ได้ทุกของเราก็มากเพิ่มพบเพิ่มชาติให้อีกเพิ่มความทุกข์ให้อีกถ้าเรายังเทียเเท่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายก็เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองอยู่ตลอดแต่ละวันที่เราทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานี่ คำทางกายคำทางวาจาคำทางใจเราสร้างทุกวันทำทุกวันคำดีก็ทำคำชั่วก็ทำนั่นเราขมวนเรียนไปตามวัตนั่นแหละเกิดแก่เก็บตายอย่างนั้นแหละบางทีก็เป็นคนบางทีก็เป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่สารพัดแต่จะเป็นแต่ถ้าเราพ้นทุกข์แล้วเราไม่เป็นเราวางขันห้าได้หมด เราไม่กลับมาทุกข์ในวัฏสงสารนี้อีกเลยนรืกว่าเราละขันห้าได้หรอกเราก็ไม่กลับมาเกิดในภพภูมิไหนๆอีกเราก็เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะเป็นวิสุธทธิเทพอยู่สุขสบายจิตใจก็ไม่มีทุกข์อะไรอีกแล้วมีเป็นดังนี้ จำกัดว้เฉพาะพระหรือถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือเป็นพระโสดาบันโพสกิตาคาพระนาคาพระอรหันต์ไม่ได้จำกัดเฉพาะพระผู้ถือศีลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายก็สามารถชาระกิตให้บริสุทธิ์ได้เหมือนกันหมดแล้วแต่ใครจะเข้าใจละเอียดแค่ไหน ถ้าทำเป็นแค่ไหนถ้าเราทำได้มันก็เต็มตามธรรมานุธรรมปฏิปฏิผู้ปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือพอที่จะบรรลุมันก็บรรลุขึ้นไปได้พอที่จะหลุดพ้นมันก็หลุดพ้นขึ้นไปได้นี่แหละคือปฏิบัติธรรมทำให้ปฏิบททัติธรรมททไม่หลุดหลอก ต้องติดอยู่ในวันตถุสงสารนี่อีกหลายแสนกับพระพุทธเจ้าเสียเลี่ยเมตใจเราจะเกิดมาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นยิ่งโจกทุกแก่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรอีกก็ยึดถือเป็นยิ่งโจกทุกแก่นั่นแหละมันก็ไม่พ้นจากทุกไปได้พระพุทธเจ้ามาแต่สรู้อยู่แต่เราไปเกิดเป็นสเดลสารนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเกิดเพื่อตายเล่นเฉย อยาเรามาเกิดนี้ก็ทันพระพุธเจ้าอยู่รพรก็ดได้เจ้าปาริณีผ่านไปอายุแปดสิบปีเกิดปารินีพ่านคือตายคือดับทั้งหมดดับรอบพงศ์เถอะญหรือว่าปารินีผ่านดับความทุกข์ทุกอย่างหมดสิน้นถึงคนีพ่านเนี่ยเพราะฉะนั้น เราปล่อยวางละเลิกเพิกถอนความยึดความถือความสำคัญวั่นหมายในตัวตนได้มากเท่าไหร่จิตยิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละเรามาปฏิบัตินี่เราก็ไม่ได้มา ยึดเอาตราหับตำรา น, นั่นนี่หรอคคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้แล้วเราก็มาทวนมาฟังมาดูว่าเราปฏิบัติไปมันถูกต้องไหมมันถูกถูกตามนั้นไหมถ้าถูกต้องตามนั้นมันก็พ้นทุกไปได้ถ้าไม่ถูกต้องมันก็ยังไม่พ้นทุกอยู่มันยังผิดอยู่ ก็ยังเห็นผิดอยู่นั่นเองให้พยายามปฏิบัติทุกคนอย่าทอถอยอย่าหมดกําลังใจของดีมีอยู่พุทธิย้าสอนไว้แล้วแสดงไว้แล้วเราไม่ต้องมากเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกไม่ต้องสร้างบายมีเสียสงไข่เซนมหากราบเหมือนพระพุทธเจ้าหรอก เราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็บรรลุได้เพราะเราเป็นสาวกพุทธเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทำตามเท่านั้นแหละมันก็บรรลุแล้วไม่ต้องแบบโอ้เราสร้างบา ร, รมีมาน้อยบุญกุศลไม่ถึงอย่างนั้นนี้อย่าไปคิดให้เราคิดว่า เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแค่เอาลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมากระทำรักษาสินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยีส็ดีอยู่แล้วก็เอาธรรมะของพทธเจ้ามาปฏิบัติเอาลมหายใจมากำหนดมากำหนดรู้จนจิตของเราเป็นหนึ่ง ทีทั้งเราสงบรวมลงเป็นหนึ่งเดียวไม่หวั่นไหวแนว่วแน่อยู่เอาตัวนั้นะสมาธิตัวนั้นแหละมาพิจารณาธาตุขันธ์หรือว่าความเป็นไปต่างๆในตัวตนของเราอย่างที่อธิบายมาให้ฟังแล้วนั้นให้เห็นชัดว่านี่เป็นของไม่เที่ยง นี่เป็นของทนดูไม่ได้นี่เป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นของเราของเราเราเห็นชัดในใจของเราเราก็วางได้หมดวางความยึดความถือได้หมดแล้วก็บรรลุมรักคนเท่านั้นตัวบรรลุเป็นพระโสดาบันถึงอณาอรหันนวลแหละบรรลุใครไปบรรลุให้เราทําเราได้อ่ะ อาการลิกโกธรรมะพุธจ้ไม่ประกอบด้วยการปฏิบัติตามวันไหนมันก็ได้ดีวันนั้นเนี่ยยิ่งเราปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ดีมากขึ้นเท่านั้นแค่เรามากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกยังไม่หมดเลยเข้ายาวเข้าสั้นอะไรต่างๆตลอดจนนั้นสำละัะกุศลทมทุกอย่างหมดจากใจ เราไม่ได้ปฏิบัติป่านนั้นแค่เอากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้เราก็ยังเห็นใจของเราสงบเลยใจของเราสงบนิ่งเป็นหนึ่งนะถ้าเราพิจารณาตามที่แสดงนี่เราก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมคือของจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเกิดความตายน่ะเป็นทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากไม่ใช่อยากข้าวอยากน้ํานะอยากคือใจมันแห้งผากอยู่ตลอดเวลามันไม่ชุบไม่เย็นมันอยากได้นั่นมันอยากได้นี่มันอยากได้นู่นเรื่อยไปหมดแหละนี่แหละ ท่านเนียมันเป็นตันหากรารมาตันหาอยากในกามเพราะว่าตันหาอยากในภพที่เพราะว่าตันหาอยากในอวิภพนี่แหละความติดความอยากความคล่องความหลงนี่มันยังมีอยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์ อริยสัจสก็ 4, ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราชำระความอยากได้ไม่ติดไม่ยึดมันก็พ้นทุกข์อริยสัจสี่นี่โลดความดับทุกข์คือก็ดับกิเลสนั่นแหละดับกามตันหาพราวาตันหามีภาะวะตันหานั่นแหละ มักทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกก็คือมากแปสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำดิชอบสัมมา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 เราฝึกอยู่ด้านนี้เราฝึกสัมมาส ม, มาธิกับสัมมาสตินอกนั้นก็เป็นบริวารเราฝึกอยู่เดียวนี้เราฝึกสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิว่า ว่ากันเป็นจริงๆแล้วก็คือให้เห็นความจริงในตัวตนของเรานี่เองว่าตัวเรานี่เกิดขึ้นได้ตัวเราก็ตั้งอยู่ได้ตัวเราก็แตกดับได้ทุกคนเมื่อเรารู้ความจริงเหล่านี้แล้วเราก็วางวางความยึดความถือ ความสำคัญนันหมายวางมดละได้หมดรู้จริงเห็นจริงชัดแจ้งในใจมันจะไปติดตรงไหนมันนี่มันรู้จริงเห็นจริ ง, รงแล้วกามมันก็ไม่ละได้แล้วพบมันก็ละแล้ววิภพมันก็ได้ละแล้วมันไม่ติดแล้วใจเรามันเบาสบายเหลือล้นแล้ว เห็นสูงที่สุดแล้วในใจนี่นี่แหละแ้าก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ในโลกโองค์หนึ่งหรือคนหนึ่งถ้าเราสามารถปฏิบัติให้แน่วแน่ถึงขั้นถึงภูมิจริงๆมันเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติให้แน่วแน่ต่อไป ให้พิาจารณาอยู่ใดจุดหนึ่งให้เห็นชัดลงไปจนปล่อยวางขันห้าได้คือเวีนจะขันนั่นะขันห้าน่วางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณโง่งภาละอันหนักลงเดือดแต่ผู้รู้ดยอดเตะใจสว่างสวัยอยู่ไม่งอนแง่นคอนแกนกับอะไรละ รู้ชัดแล้วความเกิดแก่เก็บตายชาตินี้เราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเราไ่ยึดมัน่นถือมั่นอีกแล้วทุกของเราก็ไม่มีภพชาติของเราอีกก็ไม่มีการจะไปติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนี่จะบอกเขาถึอธรรมสูงสุดเป็นพระริยบคุคคลชั้นพระอรหันต์นี่ท่านแสดงไว้อย่างนี้ก็นามาแสดงให้ฟัง อีกทีหนึ่งขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป